ภักที่หนึ่งเรื่องที่สองความสำคัญของใจพระพุทธภาสิทธ์มโนปุบบังคขมาธรรมมามโนเศษฐามโนมยามนะสาเจประสันเนนะภาสติวากรโรติวาตะโตนางสุขมันเเวติฉายาวะอนุปายินีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุด สำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขก็ติดตามมาเหมือนเงาตามตนอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้ข้อความเหมือนในข้อที่หนึ่งต่างแต่ในข้อที่หนึ่งกล่าวถึงใจไม่ผ่องใสใจร้ายส่วนในข้อที่สองนี้กล่าวถึงใจดีใจผ่องใส เมื่อเป็นดังนั้นความสุขก็ตามมาเหมือนเงาตามตัวความจริงความสุขนั้นเราไม่ต้องแสวงหาก็ได้หน้าที่ของเราเพียงแต่ลดความทุกข์ให้น้อยลงความสุขก็จะเพิ่มผูนขึ้นเหมือนความร้อนลดลงมากเท่าใดความเย็นก็มีมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธศาสนากล่าวโดยปริยายหนึ่งก็คือศิลปะในการลดความทุกข์ ความทุกข์มีมูลเหตุมาจากความอยากความอยากทำใจให้เร้าร้อนเมื่อลดความอยากลงมากเท่าใดใจก็เย็นมากขึ้นเท่านั้นความสุขก็เอ่อตามขึ้นมาความอยากและความไม่อยากอยู่ที่ใจเมื่อใดใจอยากเมื่อนั้นมีความดิ้นรนยิ่งดิ้นรนมากยิ่งแปดเปื้อนมากตรงกันข้าม สงบมากเยือกเย็นมากก็ผ่องใสามากสุขมากในยะอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในข้อที่หนึ่งเรื่องประกอบเด็กหนุ่มชื่อมัตถกุลทลีมัตถกุลทลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหมพ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่า อาทินนาปุปภะกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแพ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ย ง, งให้ลูกชายหนึ่งคู่คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามัฐถกุทลทลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจ้าง เมื่ออายุ16ปีมัตถกุลทลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคผอมเหลืองคือวั น, นโรคนั่นเองมานดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยายอย่างไร หมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพราหมณ์จึงไปหารากไม้ใบ ไ, ไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัถากุลทลีไม่ดีขึ้นมีแต่ซุดจนไม่อาจเยียวยาได้พราหมณ์จึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอมาเห็นอาการของมัตถกุลทลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธ ไม่ยอมรักษาบอกให้พราหมณ์ไปหาหมอคนอื่นพราหมณ์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่ๆเกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัถกุลพลีจึงเสด็จมาโปรด ขณะที่พระศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมัตถกุลทลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศาสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันหนาแล้วผินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันธพาน เราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเ็นปานนี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตใจเลื่อมใสในพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่า มัฏฐากุทลีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นมัฏถาุุทลีก็สิ้นชีพไปเกิดในวิมานทองเสมือนว่าหลับแล้วตื่นขึ้นฝ่ายพราหมิดาทำชาปนกิจโบลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่า ลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมัฏฐกุทลทลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่พยสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตลอดว่าได้มาเพราะทาจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาได้มองเห็นพราหมณ์บีดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าจึงจำแรงเพศคล้ายมัถฐกุลทลีมานพ ลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ณอีกมุมหนึ่งของป่าช้าเขามีความประสงค์จะเอาน้ำมาบ่งน้ำในใจของพรามพรามได้ยินเสียงคนร้องไห้เลี้ยวไปเห็นมานพไล้มัทถากุลทลีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาและถามว่าพรอหนุมท่านแต่งกายคล้ายมัถถากุลทลีบุตรของข้าพเจ้า ท่านมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้านี้เพราะมีทุกประการใดรือก็ท่านเล่ามีความทุกข์อะไรมานบถามข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าที่ตายไปข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานบตอบตัวรถเป็นทองคําล้วนพุทธพองสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ ข้าพเจ้าคงจักต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พราหม์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับว่าจะจัดหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูดูพราหมณ้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้น ไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยบัตรนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อให้ไม่ว่าจะเป็นล้อทองหรือล้อเงินอาพราหมณ์นี้เป็นอันถานจริงจงแต่ช่างเถอะเราจะล้อแก่เล่นจึงกล่าวว่าพราหม์เอ่ยสิ่งอื่นใดอันจกควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่นอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้น หากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหมณ์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่ไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขลาเลิกเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถของท่านได้ มานพตอบว่าพรามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พอมองเห็นได้ส่วนท่านร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครใครก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่งกว่าใครพรามได้ฟังดังนั้นกลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดผูก ตนเป็นผู้โง่เขลาวกว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกกืนมาได้พรามได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร้าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ำคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นระหนึ่งท่านนาน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตร ก็บัรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหะไทยของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แลแล้วพรามได้ถามว่ามานกนั้นคือใครมานกก็บอกว่าเขาคือมัทกุนทะลีบุตรของพรามนั่นเองได้ทำกุศลกรรมไว้ก่อนตาย จึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหม์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีลแต่ประการใดมานกไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพราหม์ฟังแล้วเกิดปีติปราโมทเป็นอันมากกล่าวว่า น่าอัศจรรย์จริงหนาหน่าประหลาดจริงหนาการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงปานนี้ข้าพระเจ้าจาักทำใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพรามได้ปฏิญาณกับมานพบว่าจักรรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลอรารัธนาให้ไปเสวยพัตตาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศ า, ศาสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าด้วยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลาเมื่อเสวยพัตตาหารเสร็จแล้ว พราหมณ์ได้ทูลถามพระศาสดาว่ามีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทําจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทาไมอีกเล่า ในเมื่อมัถตากุลทลีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์แกล้งสงสัยและถามพระศัสดาก็ท่งเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัถตากุลทลีเทพระบุตรและพราหมณ์นั้นพระศัสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้มัถากุลทลีเทพะบุร ลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัตถกุลทลีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการมหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพปบุตรแล้วอุทานออกมาด้วยปีติโสมนัสและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายบุตรของพราหมณ์ชื่ออาทินนาปุก พ, พกะ ไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติเห็นปานนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาจึงตรัสพระพาสิทธิ์ที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใส การทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขก็ติดตามมาเหมือนเงาตามตน